มไผทางใต้เบาดังแถวบ่ะเพราะมีลวดเพาแถวเนี่ยว่ะกันมีลวดนั้นิบปากเขปากกับแก่หลวงพ่อว่าพวกเขาเคยเห็นบวะกับแก่เน่ยเขาจับกับแก่ไปขายเพราะจับใดตัวใดนี่ยเขายยากมันกัดหางมูนออกไปมันอาปากได้กับแก่มันบวระบวระเขาก็ใส่ลวดเนี่ยนะเยยบปากมันไว้เย็บปากมันก็จะอาปากได้เยิบเยิบปากกับแก่เาเอาล ว่าญาตมันเจ็บสักหน่อยได้ว่านู้ไปแย่ตรงเรื่อ ๆ, ๆสอดไปทางไตใส่ข้างวันเลยเอาลวดขันขันขันไวก่ น, น, น, นไปปากกับแกมก็อาปากพอดายตัวอันนี้คือกันนะรเนี่ยพอดอยู่ในวัดเท่าพอดเยว่าดังบุกจักมองจักทีเน่ยหลวงพ่อจะเอาลวดยิบ <laughs> <laughs> ป, ปากไว้ว่นี่ยินบอกเ <laughs> <laughs> มื่อเช้าหลวงพ่อไปบินเท่าบาท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 เจ็ดสิบกว่าแผน่นควรจะทำเป็นกระเป๋านะากระเป๋าคล้ายๆว่าเก็บรวบรวมไว้ซะต่อไปหลวงพ่ออาจจะพูดล่อยลอลงไปเรื่อยๆเพราะอายอาุมากขึ้นตามลำดับเราจะไปพูดอย่างเก่าก็คงไม่ไดเ้เพราะนั้นขอเอาจัดให้เป็นชุดซะคล้ายๆว่าเป็นคลังแล้วว่าเป็นที่เก็บเอาไว้ให้ชุดนึง อ, อันนี้เขา ก, กำลังทามา เจ็ดสิบกว่าแผ่นทำเป็นกระเป๋าแต่กระเป๋าหนึ่งก็ไม่ใช่ราคาถูกเท่าไหร่นะกถามถามดูเสียต้อมผู้เขาประสานกระเป๋าหนึ่งเกือบประมาณ8 0 0หลวงพ่อเนาะไม่เป็นไร mm hmm. ทํามาสัก1 0 0 2 0 0กระเป๋าก็น่าจะพอมากแต่ไม่น่าจะเกิน3านมะควรจะเก็บไว้เป็นคลังเอาไว้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นก็ปีนี้จะมี m p 3ออกประมาณ10แผ่น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 ปเปแขวนหลวงพ่ออินใส่คอหมาขีเหรือนอีกต่างหากจากนั้นก็ทะเลาะกันอีกเลยคนนั้นได้ขายเหรียญพระองค์นั่นได้ขายเหรียญหลวงพ่ออินนู้นได้รถบีเอ็มูนนะได้รถเบนซ์นู่นนะรถปิกอัพนู้นนะรวยพราะขายหลวงพ่ออินเราไม่อยากจะดีดอย่างนั้นผลี่สุดทะเลาะกันในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหลวงพ่ออยากจะให้เอาธรรมะ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 แเราไปอยู่เราขีดไว้ไม่ให้เข้ามาวัดเนะี่ยไม่ให้มาหาหลวงพ่ออินนะเนี่ยยาทําทําไปแล้วไม่เป็นมงคลหลวงพ่อห้ามแล้วจุดอถ้าทําของครูบาอาจารย์เรก็ไม่ว่าแลยเพราะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์แต่ลุงเรื่องของหลวงพ่อนะี่อย่าอย่าทอาถ้าทํากันเนะี่ยเอ็มพีสามอะไรแจกไป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 เพราะนั้นมาอยู่ที่นี่ถึงจะน้ําอุดมสมบูรณ์หลวงพ่อก็ยังเน้นเรื่องน้ําให้ช่วยๆกันดูน้ํามาจากที่ไหนบ้างอาแล้วมีประตูน้ำอย่างไงบ้างมีถังน้ํากีา่ถังให้ใส่ให้เต็มไม่ใช่ว่าจบงานขึ้นมาแล้วน้ํำไม่ไหลไม่ไหลเพราะอะไรเพราะคูบา ล, ลืมเปิดประตูน้ำํำไหมเหล่านี้มันเคยมีอยู่นะพระในวัดของเราเพราะองค์ที่ทำหนึ่งรู้แต่องค์เดียว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 แต่หลวงพ่อเนะีถ้ามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยทั้งชาติทั้งชาติหลวงพ่ออินเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างงู้นคําอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายเสียหายไม่ใช่เสียหายหลวงพ่อเสียหายพระพุทธศาสนาอีกทีเนะี่ยเสียหายวงการเสียหายสถาบันพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะีเรื่องเหรียญเรื่องอะไรก็ตามหลวงพ่อบอกว่านะมันจะเสียหายนะนี่แหละ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 แต่อย่าไปทะเลาะกันเท่านั้นใครทําหน้าที่อะไรแบ่งงานกันใครมีหน้าที่อะไรอย่าไปแย่งกันงานการทำคนนั้นทำนี่โองโหนี้ทํานั้นสลับกันไปสลับกันมาหมุนเวียนกันไปมาการทําการทํางานนี่แหละถ้าว่าทําได้อย่างนั้นดีแต่อย่าไปออกหลอกลูงนอกทางนะพระนะต้องสํารวมระวังนะเ อ, อแต่เราสอนให้ใช้ปัญญาแต่ปัญญาของเเป็นเสือกหน้าเสือกหลังอีก